ยานนี้ก็เป็นเย็นวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2555แรลม8คั้มเดือนยี่ตนับแบบไทยๆเดือนยี่ปุจิกาก็ปจิกานี่เดือนอ้ายอัธนวาเดือนอ้าย โมกลามาเดือนยี่เดือนสองแบบไทยๆปีนี้ปีมาลงเราทำวัดประมาณ20นาที6 2โมงนาทีโดยประมาณถ้าเป็นอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณสัก23 24องศาวันนี้ไม่เกินยี่บห้าทั้งวัน ความชื้นสัมพัสก็ประมาณ70ความชื้นสูงหมอกลงภัยสารที่อื่นก็เป็นเกล็ดน้ำแข็งพิษโโลกก็เป็นเหมือนกันนี้ก็คือเรื่องสมมุติบัญญัติต่างๆที่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์กันพระกระขึ้นเสียงต่เป็นภาษาดนตรีนะเอเมเนอร์ โยมกันรับลูกได้ขีซอนถึงซอนเป็นโดมีลาเป็นคอสปดีอฝั่งเราก็เพาะดีเทียเพาะดีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความตั้งใจใส่ใจภัยลาะตรงที่ความหมายที่ว่าภัยล้เนี่ยตรงที่มันเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจหรอก แต่เป็นความหมายที่เราแปลเป็นภาษาไทยมันรู้เรื่องมันแปลว่าอะไรหลายคนกระสวดมันครั้งแรกของชีวิตแหละแบบเนี้ยบาลีไปเป็นไทยเราก็ได้ความไพเราะความลึกซึ้งของเสียงมคัมคคกมัคคีเป็นเสียงทํานองสวดแบบบาลีบาลีภาษาบาลีบาลีแล้วแปลเป็นไทย สมเดไท ย, ไทยฟังง่ายๆในความลึกซึ้งอัตตาพยัญชนะเราก็มีประเด็นเอามาปฏิบัติเช่นสวดบทพิเศษว่าเรามันมีภัยอยู่ภัยมากมายเหลือเกินที่ทำให้เราเหมือนกับว่าต้องคอยแวดระวังแล้วก็ต้องคอยป้องกันการแล้วก็แก้ไขตลอดเว ล, เวลาเช่น โลคาภัยกันเะนี่ยต้องมีกระทรวงสาธารณสุขมีหมอมีพยาบาลมีบุคลากรในโรงพยาบาลมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยให้ประชาชนนะอยู่ดีกินดีมีความสุขกับการดำรงชีวิตอเียอําอเภอวันนี้เราเห็นนะมาที่วัดปา่าโสโตเอาหมอพยาบาลมาตรวจช่องปาก ดูแลช่องปากชาวบ้านหมายถึงมันมีภัยก็ต้องมีตัวป้องกันหรือแก้ไขแต่มาโรคภัยเก็ดจะมีหมอมีพยาบาลจรภัยก็มีตำรวจมีมมจทหารอย่างี้อุบัติภัยจะทำยังไงบรรจุดยาวปีนี้ก็กระชูด ช่วงปีใหม่เกินเป้าทะลุเป้าสองจังหวัดก็ป้องกันกันได้ก็มีนะใจภูิหนึ่งแล้วก็ตราดไม่มีสถิติของคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บเข้าโรงพยาบาลสูงสุดก็เชียงรายอย่างเงี้ยนะทีนี้มันมีภัยอะไรอีกธรณีพิบัติภัย ไยที่เกิดจากแผ่นดินไหวบุกเขาไฟระเบิดอุทกภัยวัตภัยต่างๆกองบรรเทาสารภัยต่างๆระดมกันช่วยกันมีกรมอุตุนิยมวิทยาพยายามบอกอยู่ให้เราได้เหมือนก็นว่าแวดระวังป้องกันตัวเองกันบางทีก็กลายเป็นมางคลตื่นข่าวก็มีเช่นพ อ, องปลาบูพ อ, องปาบู กพยายามบอกว่าเออลูกของตัวเองมาเข้าฝันช่วงปีใหม่เือนผู้มิพน์จะแตก<ม>กระโดนจับไปเรียบร้อยปรับไปเรียบร้อยห้าร้อยบาท<ม>แล้วก็ทำทันบนเอาไว้รอลงอาญามันเป็นเรื่องอะไรกันนี่ก็ภัยนั่นแหละถ้าไม่มีสติกับมงคลตื่นข่าวมากมายแล้วกเกินให้เราวันไหวมีภัยที่เกิดจาก มรณนะภัยคือทุกค น, นจะต้องวิ่งหาความตายกันทุกคนเดินหาความตายไม่อยากตายก็ต้องจดหมายปลายทางเหมือนกันทุกคนจะทำยังไงตัวนี้ป้องกันได้ไหมบางคนก็พยายามหายายุยตนาะณความเป็นอมตะพวกสินจีทั้งหลายฮองเตทั้งหลายสมัยโบราณ พยายามหายาายุวัฒนะอาหารดีๆยารักษาโรคดีๆหรือสารพัดป้องกันบางทีก็จากสามันสูก่กษัตริย์ท้ายสุดไม่รู้ว่าเป็นเวลา บ, บุรุษหรือว่าอาชญากรกันแน่ขึ้นสารโลกถ้าสารโลกอยู่ติดคุกหลายพันปีก็มีบางคน มันก็เลยเป็นเรื่องที่เออจะป้องกันกันยังไงกลัวจนกระทั่งทำร้ายคนอื่นมากมายแล้วเกินต่อมาภัยที่เรียกว่าเกิดจากความคิดของเราเนี่ยเป็นภัยร้ายในตัวทีเดียวตัวนี้ความคิดที่มันคิดเก่งคิดจนตัวเองทุกข์คิดจนปวดหัวเป็นไมเกรนโรคจิตโรคประสาทถามหาค่าตัวตายท้ายสุดอย่างเงี้ย ไอ้ตัวนั้นเป็นภัยไร้ในตัวเรียกภัยวัฏตาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งในชีวิตจริงเกิดจากท้องแม่แล้วก็ตายเน่าเข้าลงไปครั้งหนึ่งในชีวิตนี่มาถึงเวลาอายุไขหรือว่าการมันตัดรอนหมายถึงว่าบุญมันหมดนะการมไม่ดีมันตัดรอนก็อยู่ยากแล้วกนะันเนี่ยความดีมเกลื่อนหนุนบุญมันคำ้ำมันจนแต่บางเอื้อนว่ามันหมดบุญซะก่อน ก็ตายก่อนอายุไขก็ได้เหมือนกันใช้ชีวิตโดยความประมาทไปที่เรียกว่าวัฏฏสงสารที่เกิดจากการคิดเนี่ยมันมีวิชาวุทธศาสนานะเป็นตัวป้องกันและแก้ไขทั้งป้องกันและแก้ไขพอเรามีความทุกข์เป็นเบื่อหน่าแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทำไงมาเรารู้อย่างนี้เราก็ปร ะ, ประมาทไม่ได้เราก็ต้องเรียกว่าเรียนรู้ฝึกหัด ปฏิบัติจกนกระทมันเกิดผลขึ้นมาไม่จนใจมันได้คำตอบทุกคนก็รักสุขเกียิทุกความสุขเกืออะไรความทุกข์เกืออะไรมันคืออาการที่มันไม่ปกตินั่นแหละความเป็นปกติมันมีอยู่ความสุขความทุกข์ยิ่นผิดปกติแล้วก็เราตีความผิดด้วยนะการตีความของพวกเราที่เคยตีความก็คือ สุขที่เกิดจากวัตถุกรรมคุลมือกระยาวสาวได้สาวเอาอาการนีสมบัติปัดกันชมแต่เราเกิดการที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นก็นมีการทะเลาะขัดแย้งกันไม่รู้จะไปหยุดกันตรงไหนตอนนี้อย่างที่เราเห็นในประเทศต่างๆทางตะวันตกทางยุโรปหลายประเทศตอนนี้ก็ล้มละลายก็มีเป็นประเทศที่เคยพัฒนาวิ่งนําไปก่อนตอนนี้ก็ต้องหยุดทบทวนก็มีหลายประเทศอยู่ เกียก็คือของเราเองนะก็เป็นประเทศที่เหนือจรวดใตนะ้ก็ถือว่ามีอาหารนะมีปัจจัยสีที่สะดวกนะแต่ท้ายสุดธรรมชาติมันก็ไม่ปล่อยนะให้เราหลงละเลิงก็พยายามให้เราเต้องมาทะเลาะกั น, ส, น, นสีนั้นสีนี้สีนวนนะต้องให้เศรษฐกิจมันถดถอยสักหน่อยมันจะได้ทุกข์แล้วก็ กลับมาทบทวนแต่ละคนแต่ละคนเราจะหวังให้คนอื่นมาช่วยก็ไม่ใช่จะใช้หลักของประชานิยมรวมกลุ่มและเรียกร้องก็ไม่ใช่เราแต่ละคนก็จะต้องเหมือนกับว่าเพึ่งตัวเราเองให้ได้จะเพึ่งยังไงนี่แหละทางออกอย่างที่แล้วจะเริ่สติสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเบื้องต้นเลยมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปเปลี่ยนแปลงนอกตัว ก็เราเองนะภัยวัตตาสงสารนีคือมันคิดเก่งมองเพี้ยนมองผิดมุมนิดเดียวแต่นั่นแหละมันหาเรื่องเบียดเบียนตัวเองได้เบียดเบียนพู้อื่นก็ได้เราจะทํำยังไงในะ น, นเมื่อความคิดมันอยู่กับตัวเราเป็นนามธรรมที่รวดเร็วจับไวสายฟ้าแลบ ใ, ให้ตัวนามธรรมตัวนี้มันไม่เหมือนกับรูปธรรมกายของเราธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเป็นธรรมชาติที่เป็นก้อนของรูปธรรมรูปขันอย่างนีน้ พอสัมผัสจับต้องกันได้แต่ถึงขนาดนี้บางทีนะสติเราก็ยังตามตัวเราเองไม่ทันเช่นมิติรอนนั่งนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจไปไหลกันไปรู้มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อทีนั่งอยู่ที่นี่นะกคิดแปลดีคิดแปลนาคดนะมันไม่รู้สึกตัวแล้วเราจะทํำยังไงในเมื่อความคิดมันว่อ ง, วงไวขนาดนั้นเราก็ต้องฝึกหาสตินะ ที่ไม่เคยไปสนใจนอกตัวให้มาสนใจในตัวตัวเราก็คือตัวกายตัวใจเนี่ยแหละตัวชีวิตเนี่ยแหละกลับมากลับมาอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรามาเฝ้าดูกายดูใจก็ต้องเห็นกายเห็นใจเห็นธรรมชาติของกายของใจมันก็จะได้คําตอบความคิดคืออะไรทําไมมันต้องคิดมันคิดทําไมตัวคิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จริงตัวคิดก็ไม่ใช่ปัญหานะ การกินไม่ได้การนอนไม่หลับไม่ใช่ปัญหาการไม่มีเงินไม่มีทองก็ไม่ใช่ปัญหาการจบปอสี่จบมอสามจบมอหกตีโทเอกด็อกเตอร์มันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบคนอื่นเปรียบเทียบเราเข้าไปต้นแบบแล้วเราก็เดินตามเขามันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะแต่ละคนมันก็จะมีแล้วก็คือบนวาสนาหรือว่า ลักษณะของจริตนิสัยพฤติกรรมของใครของเราสกุลภูมิชาติกาเนิดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าฟลุกนี่แหละก็คือกรรมบันดาลละที่เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุมันมีอยู่คราวนี้เราจะอยู่ให้เหมือนกับว่าเป็นไปนตามยถากรรมอีกต่อไปหรือไม่ตอนนี้เราเริ่มต้นแล้ว ที่จะเริ่มต้นวันนี้เก้าแต่ละเก้าอย่างมั่นคงนะก็คือให้มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเจริจิตกันเอาไวนะ้ให้เป็นมีความมั่นคงและตรงต่อมรรคผลนิพพานนะเป็นเป้าหมายนะตัดวัฏฏะสงสารภพชาตนะิมันเคยเกิดเป็นอะไรล่ะบัดนี้มันเป็นอะไรนะมันทุกข์เพราะอะไรมันมีภัยเพราะอะไร ถึงยังไม่เกิดแล้วก็ป้องกันและแก้ไขอย่างเช่นว่าตอนนี้หลายคนก็ไวโพรมาจันมันมีไว้หลายวัยนั่งอยู่นนี้โนะพรมาจันบางคนก็ไวกระลือหัดบางคนก็ไววานประหลัดสัญญาสีเรานั่งอยู่นี้มันหลายวัยไว้ไก่มวยไว้กล้วยไม้ใบสัญญาสีเตรียมตัวตายอย่างเดียวเลยจดจิตสติอย่างเดียวเลย วัยวานประหลัดก็คือวัยเกษียณใกล้เกษียณนี่ใช่ลนะส่วนวัยที่กำลังตรากตาําอาบเหงื่อต่างหนะ้าวัยกฤะลือหัดนะก็ต้องเรียกว่าสร้างฐานะสร้างเมือสร้างตัวนะสร้างครอบครัวให้มันคงแข็งแรงวัยกําลังเรียนรู้เรรียนู้โลกกว้างเรียน ร, นะนะ ร, ยนรู้เรื่องวิชาชีพนะที่จะเอาไปทํางานทําการหาเงินหาทองวัยกรลืหัส เป็นวัยทํางานวัยกาลังเรียนรู้เนี่ยวัยโภมาจันทร์แต่ละวัยแต่ลอวยก็มีความทุกข์ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งตอนนี้เป็นแผลก็ทุกข์แบบแผะเป็นชีก็ทุกข์แบบชีเป็นโยมก็มีความทุกข์แบบโยมเป็นผู้ชายก็ทุกข์แบบผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ทุกข์แบบผู้หญิงก็คือทุกข์นั่นแหละที่คัญที่สุดก็คือจะทุกข์เพราะอะไรก็ตามก็เกิดมาจากตัวคิดทั้งหมดเหมือนกันตัวคิดมันเป็นตัวที่ เผลอหลงเข้าไปไม่รู้สึกตัวเนะี่ยเป็นทุกข์แน่นอนตัวคิดถ้ามันคิดแล้วก็รู้ทันนี่ไม่ใช่ทุกข์มันเป็นอาการของจิตเป็นธรรมชาติของจิตมันก็เลยไม่ได้มีภัยอะไรต่างคนต่างอยู่ก็ไนดะ้แต่ว่าสติถ้ามันไม่รู้สึกที่กายมันก็ไม่มันคงเราก็เลยมีรูปแบบของการฝึกหัดปฏิบัติ ที่วันนี้กลุ่มที่มาใหม่ๆนะพารมฝึกหัดกันการเคลื่อนมือแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะแต่ละจังหวะนะมันเป็นรูปแบบแนวเคลื่อนไหวที่วัดป่าสุตกตก็ก็สอนกันแบบนี้แล้วก็สอนมานานแล้วด้วยวัดก็ตั้งมาก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะก็สอนเรื่องการเคลื่อนไหวส4บสี่จังหวะบางทีมาเองก็ปล่อยให้ปฏิบัติเอาเองอย่างเงี้ยนะแต่นี้เรามาเป็นกลุ่ม นะกลุ่มพยาบาลของสุรินมากันหลายปีติดๆกันแล้วก่อนจบก็มาฝึกหัดให้มีนะการจลศิพานธนะ์เวลาถ้ามันมีปัญหาก็จะได้แก้ไขตัวเองได้แต่นะพะปัญหาด้านจิตใจนะสุขภาวะทางจิตนะเวลาสุขภาพจิตมันไม่ค่อยดีมันห ง, งุดหงิดนะมันเครียดนะมันมีปัญหามันทุกข์ใจก็จะได้กลับมาคือนสู่ปกติของจิต ก็คือทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตมันเกิดความเป็นปกติขึ้นมาเงี้ยเราก็ได้รู้หลักวิธีปฏิบัติเวลาที่เหลืออยู่เราควรฝึกหัดแหะฝึกหัดจนกระทั่งมันทําแล้วกเกิดความชนานาญขึ้นมานะอ่าทีนี้ทุกคนนะรักสุขเกียดทุกส่วนใหญ่ทุกเรื่องอะไรมันก็เรื่องการเรียนการงานนี่แหล ะ, ะเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรา มันมีปัญหาทุกเพราะว่าการเงินการทองเงินไม่พอใช้ทำงานเหมือนกันแต่ว่าได้ไม่เหมือนกันเรียนเหมือนกันอีกคนนึงได้ที่หนึ่งเกียรติยศอีกคนเกือบได้สอบตกต้องซ่อมทำไมไม่เหมือนกันทั้งนอยู่เหตุการณ์เดียวกันอันนี้คือบอกเลยระบบของสติปัญญาไม่เหมือนกันระบบสมองก็ไม่เหมือนกันความตั้งใจความอดทนความขยันก็ไม่เหมือนกัน มันไม่เหมือนกันมันมีความทุกข์เพราะว่าสังคมรอบๆตัวสื่อสารมวลชนต่างๆระบบการปกครองต่างๆเราได้ยินได้ฟังบางอย่างเราก็รีบเชื่อเกินไปมาไทายสุดก็กลายเป็นความทุกข์ได้หมดเลย αι, ความสุขของค น, นจริงๆมันก็ไม่ได้หายากอะไรหรอกเขาว่ากันว่าสุขเนี่ยจะเกิดก็จะเกิดจากการที่เรา ทำหน้าที่ทํางานทําการโดยชอบเรามีหน้าที่อะไรแล้วก็ตั้งใจทําโดยชอบ <c oughs> ได้คะแนนได้เงินได้ทองมาแลเอาไปใช้มันก็เป็นความสุข <c oughs> ทํางานที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความสุข <c oughs> งานอะไรบั่งในวิชาศิลป์ที่บ่าทําแล้วก็มันเป็นเรื่องของไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น อาชีพที่เปนเบียดเบียนผู้อื่นเช่นขายสุรายาฝิ่นพวกนี้ขายอาวุธพวกเนี้ไม่เป็อาชีพที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอาชีพขายมนุษย์ขายมนุษย์เ ป, เป็นทาสอะไรเงี้ยเอาไปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นบาปเหมือนกันขายสัตว์ให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไปอะไรเงี้ยฆ่าเขาอันนี้ก็ เป็นข้อห้ามในศาสนาแต่ว่าอาชีพหนึ่งนะที่ศาสนาชี้ชวนมากๆเลยคืออาชีพกรรมฐานนะอาชีพกรรมฐานนะเคยได้ยินไหมผลมันจะไม่เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมานะเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เรานะไม่เกี่ยวกับมีเงนินหรือไม่มีเงนินก็มีความสุขไดนะ้ใจมันสามารถสงบเย็นนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเมตตามีการให้อภัยมีความอดทนอดกลั้นรู้จักความพอดีมันอยู่ตรงไหนความเป็นกลางมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่กันนะถ้าเป็นกลุ่มพยาบาลก็เหลือเวลาอยู่อีก6วันเต็มๆเราทำอาชีพกรรมฐานกันดีกว่าเป็นอาชีพทีนะ่เอาไปใช้ในทางโลกนะจะทำให้เราไม่ทุกขนะ์เวลามีอารมณ์ทางโลกมากระทบนะ เวลามีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มันไม่ไม่วันไหวก็คือให้นั่งตัวตรงแล้วก็พยายามมือซ้ายมือขวาไว้ที่หัวเข่าอย่างที่อย่างที่เรารู้เราแจ้บกันมาตอนภาคบ่ายตอนนี้จะทวนให้อีกครั้งหนึ่งมือซ้ายมือขวาวไว้ที่หัวเข่าเสร็จแล้วเราก็ พลิกมือตั้งอาชีพกรรมฐานนะี่ยน่ยยกมือขึ้นไปนี่อาชีพกรรมฐานเคลื่อนมาวางไว้ที่สะดืออาชีพกรรมฐานไม่มีเงินแต่มีความสุขไม่ต้องทํางานข้างนอกแบบโลกโลกก็ได้แต่มันก็มีความสุขอยู่ข้างในพลิกมือซ้ายตั้งรู้สึกยกขึ้นไปรู้สึกเคลื่อนมาวางทับไปที่มือขวารู้สึกมือขวาเคลื่อนมาที่อกรู้สึกเคลื่อนออกไปรู้สึก วางตั้งไว้รู้สึกความลงรู้สึก αι, เคลื่อนมือซ้ายก็มาเดี๋ยวรู้สึกเคลื่อนออกไปรู้สึกวางตั้งไว้รู้สึกความลงรู้สึกเนี่ยอาชีพกรรมฐานมันมีรูปแบบ αι, เบื้องต้นแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นถ้าเห็นว่ามันเมื่อยก็เดินจงกลมหรือว่ายือนอยู่กทัที่ซอยเท้าอยู่กัที่หรือว่าเคลื่อนมือ14บจังหวะท่ายยืนก็เคลื่อนได้ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องนั่งอย่างเดียวแต่ว่าเวลาเราเดินเราไม่ต้องไปเคลื่อนมือทําอย่างใดอย่างหนึง่งนะตอนนีเ้เราฟังธรรมมาประมาณ15นาทีบวกการทําทวัดมานะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังมีเวลาเหลืออยู่สิบห้นาทีให้ใช้ความอดทนอดกลั้นนิดนึงเนะปะะิดปัสสาวะยังไงก็ไม่ต้องลงไปหรอกฝึกเลยในหนึ่งชั่วโมงระหว่างทําวัดสวดมนต์เราก็ฟังเทศฟังธรรมหชั่วโมงไม่ต้องกระดิคกระเดียวไปไหนหรอกนั่งมันอยู่ตรงนี้แหละ เนี่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ลงผุดลุกผุดนั่งมันแสดงความอ่อนแอว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้อินทรีย์แบบลูกคุณหนูไม่ได้จะไปเป็นลูกคุณหนูนี่ไม่ได้พระเจ้านี่อยู่วังนะเจ้าใจสิทธาเสร็จแล้วพอมาปฏิบัติธรรมคนหาโมกธรรมเนี่ยอดทนนะบำเพ็ญทุกขากิริยาน่นะแล้วก็ท้ายสุดก็เป็นยังไงเราจะนั่งเป็นข้างสุดท้าย วันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าข้ามยามสามปิลากาวันพุธเน่ยเราจะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายเลยถ้าไม่วันลุอนุตตะรสัมมาสัมปพริยาเราจะไม่ลุกขึ้นเราจะไม่หยุดทําความเพียรเสียถึงแม้ตายไปก็ยอมอันนี้หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเนีอันนั้นเขานั่งจนกระทั่งบรรลุธรรมยามสามนั่นมาไม่ใช่ของเล่นซะแล้วนีต้องฝึกขันติตบาความอดทนอดกลัน้นโดวยว่าเวลาทําวัดเนี่ย ยังไงก็ต้องนั่งวันนั้นเตรียมตัวให้ดีมีปัญญาก่อนมานั่งทําวัดก็ไปเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยมันจะไปไหนทางไกลอย่างเงี้ยจัดการตัวเองให้เรียบร้อยบางทีมันไปแล้วมันไม่ได้เข้าห้องน้าห้องท่ายจะทํำยังไงต้องใช้ความอดทนอย่างเงี้ยเวลาจบอย่างเงี้ยเป็นรับปริญญาอย่งเงี้ยนั่งนานๆต่อหน้าพักๆอย่างเงี้ยทำไงต้องใช้ความอดทนฝึกเอาไว้อ่า เพราะนั้นนะคุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นมาระหว่างที่ใฏบัติต า, ามนี่แหละดูให้ดีนากาละเทศะชุมชนมันเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามนะขมเมืองตาเหลวกระเหลวตาตามวิถีของชุมชนเป็นยังไงเรากปฏิบัติเลยอยู่ที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองนะไม่ต้องกลัวตกน้าก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมเพราะนั้นความรู้สึกตัวนี่นะมันจะบอกอะไรเราหลายอย่างอยู่อะไรควรอะไรไม่ควร มาเริ่มเรียนรู้เลยฝึกหัดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจภายในสองวันสามวันเนี่ยจะงดงามขึ้นไปมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันมันเป็นความงามไปเลยมาแล้วก็ตั้งใจนะมีความเชื่อจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็คิดด้วยเมตตาจะทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเชื่อกรมทําดีมันก็ดีทําชั่วก็ชัว่ว ทำกรรมฐานเหนือดีเหนือช่วยมันมีอยู่ถ้ามีปัญญาแล้วไปเลือกธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในีละวิสัยของสัตบุรุษนะเราเป็นผู้ที่มาฝึกตนกันทุกคนที่อยู่ในเนี้ยก็ต้องดีวันดีคืนลนะจากความไม่รู้มันก็รู้ขึ้นมาจากไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินขึ้นมาแล้วก็น้องก็มาทําอ๋อมันเป็นจริงๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันนะสัจจะความจริงนะ จะจะทำเป็นความจริงที่มีแล้วในตัวเราทุกคนเรานั่งมันก็เมื่อยใครๆมันก็เมื่อยเท่านั้นแหละนะแผลเวลานั่งก็เมื่อยเหมือนกันบางทีปวดปัสสาวะก็ต้องทนถา่ว่าทําไมต้องทนก็นเป็นต้นแบบอะถ้ามันไม่ทนหลายคนก็ทําเป็นแบบเป็นอย่างทําตามๆกันะๆๆไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องทนจนท้ายสุดก็มีภัยในตัวการกั้นปัสสาวะนี่ไม่ถือว่าดีนะบางทีทําให้เกิดนิ่วได้ง่ายหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็จำเป็นในช่วงฝึกหัดให้กายเย็นเสียวแก่กล้ารู้จักเว ล, เวลาเฉยฝึกนิสัยวินัยของกายนะเช่นตอนเย็นแล้วไม่ได้ทานข้าวเ ง, งี้ยถือสินแปะกันไปแล้วเ ง, งี้ยบันแรกมาล้อแล้วก็ก็กๆๆๆๆจิตพอเห็นอาการหิวเกิดขึ้มนมาก็นึกแล้วโอ้ยก๋เตี๋ยวต้มยำเ ง, งี้ยโจ๊กเย็นๆอย่างเงี้ยนึกถึงแล้วข้าวผัดร้อนๆอย่างเงี้ย นึกถึงแล้สุ ก, กียากี้เงี้ยหมูเกาหลีเนื้อเกาหลีสารพัดอย่างเงี้ยก็ปรุงไปอย่างนั้นส้มตำอย่างเงี้ยใส่น้ำเปรี้ยวๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงทีเนี้ยน้าลายสอไม่ยอมยิ่งพูตอนไหนไม่พูพูตอนเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวเย็นกันมนะันก็หิวว่าเีเนี้ยเรามาฝึกดัดหัดนิสัยตัวเองใหม่นะเคย อ, อยู่แบบวิถีของปุถุชนใช่ไหมตอนนี้เราก็ฝึกใหม่ เข้าวัดเข่าว่าเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ความเป็นอริยชนไกลจากข้าศึกข้าศึกของเรามันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยละคือภัยไลรในตัวเนี่ยละความโลภความโกรธความหลงความรักความชางังความอิจฉาหรือจะยามายาสาไถสารพัดนะเจ้าเลปินปอนมากมายแล้วกันเห็นผิดเป็นถูกมันมีอยู่จริงๆเราก็จึงมาดูตัวเรากันทำไมไปดูออกนอกตัวนะ พระั้ชุมชนนี้เราพยายามเข้ามาดูในตัวนะเพื่อให้ไม่เกิดความอับปีจลัยนะการกลับมาดูในตัวมันมีแต่เรื่องของการเดินทางนะไปสู่ความดีความงามแล้วก็พนะาตัวเองนะพ้นทุกนะเกิดความฉลาดเฉลียวขึ้นมาฉลาดแล้วก็ต้องเฉลียวด้วยฉนะลาดอย่างเดียวก็ไม่พอนะเหมือนวิชาทางโลกสอนกันจนกระทั่งทำงานได้48เสร็จแล้วเป็นไงพอไ้ตรวจนะ เขาตรวจหน่อยเดียวอะต่อมอนะตรวจคนเข้าเมืองนะเพื่อความปลอดภัยดันไปบ้องหูก็อย่างเงีนะ้ยท้ายสุดเไปไ็นยะังไงนะมันขาดคุณธรรมมันะขาดศีลขาดธรรมมันะขาดความรับผิดชอบในชีวิตของมนุษย์ด้วยกันนะตัวเองก็เป็นภยัยคนอื่นก็เป็นภยัยแก้วหูก็แตกเงี้ยนะั่นแหะนะก็คือมันมีความรู้ทางโลกอย่างเดียวนะมันไม่มีลักษณะของคุณธรรมภัยในใจ แต่มันมีก็เขาทำหน้าที่เขาทําหน้าที่ของเข้าไปเมื่อได้รับมอบหมายแล้วเราก็เคารพเขาอย่างเงี้ยบางที่ตํารวจก็ตรวจอย่างเงี้ยนะมาก็เคยเห็นลูกศิษย์หลายคนเวลาเขาตรวจอย่างเงี้ยก็มีอาการฮึดฮัดขึ้นมาก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายก็ให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปอันนี้ก็ไม่เป็นไร เพราะน้นมนมีอะไรมากมายเหลือเกินนะที่จะต้องผ่านตัวสตินะสติมันเป็นนทวารบานนะเวลาที่จะคิดนะจะพูดจะทำมันก็จะผ่านนทวารบานก่อนนะก็คือสติปัะฐานนะม่นมีสติอยู่สองตัวคนโค้ชทั่วไปจะมีสติตามสัญชาตญาณคือสติไป ร, รู้เรื่องนอกตัวนะกร น, นีเรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนะี่ยพื้นที่562ไร่เศษนะ ก็คือมีไว้เพื่อเราอะกับดูภายในตัวเดินร่ว่าเดินนั่งหรื่วดนั่งยืนร่วดยืนนอนร่ว่านอน ค, ค น, นคิดร่วดคิดตรงเนี้ยพอเปนคิดแั๊บลูปปุ๊บคิดปป๊บรูปปุ๊บเนี่ยแสดงสติปัฏฐานกำลังทำหน้าที่ของเขาอย่างซื่อตรงเป็นอะไรที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วก็เรามีคู่หรือว่ามีที่พึ่งโดยที่ไม่ต้องไปหาคู่หรือว่าหาที่พึ่งภายนอก มันมีแล้วในตัวเราเนี่ยแหละเวลาท้ายสุดเวลาใกล้ตายมันก็ช่วยเราจริงๆซะด้วยเวลามีสติเวลาแก่เวลาเจ็บมันช่วยเราจริงๆซะด้วยมันแบ่งบาพาละแทนที่จะเจ็บเต็มร้อยอย่างท่านั่งน่ย น, นะมันกลายเป็นว่าพอเรามารู้สึกตัวเจ็บแค่ห้าสิเปอร์นอย่างเงี้ย เ, เราสังเก็ตแต่เราปฏิบัติทำจะเกิดความฉลาดจากการที่มาสังเกตสิ่งเหล่านี้ละแทนที่เมื่อก่อนพอมันปวดไหนโอ้ยไม่ไหวแย่แย่แยแยเข็ดหลาบอ่อนแอปอบางไอะไร มันกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนได้ทนได้ไดไดอย่างเงี้ยตรงนี้แหละจะได้ใช้ เ, เวลาทํางานทําการก็ต้องใช้คุณธรรมคุณสมบัติเหล่านี้แหละ เ, เพื่อให้เกิดความเรียกว่ามั่งคั่งไม่จนทั้งสตางไม่จนทั้งสติจนนอกจนในจนใจจนทรัพย์เราก็เลยนะไม่ต้องมาเหมือนกับว่าเกลียดแกล้งสงสัยนหรือว่า ละลาละลังหันหลีหั น, ห น, หนกวางเจ้ายังไงทิศทางไหนตกกระไดพอกระจนไปเลยนะเคลื่อนมือรู้สึกนะแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาพูดนะคำพูดแต่ละประโยคนะรูว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่เทศนะ์มันจะมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้นะน้อมเข้ามาแล้วก็นำไปประกอบกับ ก, บการปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลได้ไวอย่างนี้นะเราปฏิบัติทำนะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามวิธีการใดก็ตาม แล้วสถานที่ก็ต้องบอกว่าสํารวมกายวาจาใจเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลละจิตอย่างเงี้ยนะก็จะมีบอกอย่างเงี้ยหรือว่าสถานที่บําเพ็ญจิตตาภาวนางดพูดหรือรพูดแต่น้อ ย, อยเราฟังแล้วเราก็นำมาปฏิบัติโดยเหตุผลก็คือเวลาเราพูดเนี่ยก็คือเป็นเงางความคิดนั่นแหละส่วนใหญ่เราคิดยังไงเราก็จะพูดไปอย่างนั้นนะ พอมันพูดมันก็เกิดจากการคิดมันก็เปลืองพลังงานอยเพราะฉะนั้นคําพูดนี่เป็นการใช้พลังงานพอสมควรนะพูดแล้วต้องได้ประโยชน์นะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะก็เลยเจตนาพูดด้วยเมตตนะาแต่จะคิดพูดจะคิดพูดด้วยเมตตนะาอยทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังก็เมตตาอยเยเป็นความปรารถนาดีต่อกันนะในฐานะของนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็อยู่กันสองคนขึ้นไปต้องมีการเกี่ยวข้องกัน แต่ว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเราก็พยายามที่จะเอาเพื่อนไว้ข้างหลังก่อนไม่ต้องไปสนใจนะเอาความรู้สึกตัวไว้ข้างหน้านะพยายามขยันเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าไว้ก่อนมันเป็นแบบฝึกหัดนะเป็นโจทย์เป็นงานหลักนะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอย่าเพิ่งพยุ่งกับความคิดทั้งหมดนะมันจะคิดอะไรก็ตามอย่าเพิ่งพยุ่งมันนะเดี๋ยวสองสามวันมันจะอ่อนตัวลงไปนะ ความทุกปัญหาเก่าๆที่ตามมาหนึ่วันสองวันพอวันที่3วันที่45แล้วเก็บเกี่ยวกันนี่แหละมันมีแต่ความรู้สึกตัว ล, ล้วนๆนเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะมันก็จะเป็นวิถีชีวิต ท, ที่เปลี่ยนไปแล้วก็แปลกไปเราเคยไปหาอาหารต่างๆาทางหูจมูกลิ้นนะเช่นพอเมื่อเอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าไม่ได้ไปทํางานเลิกงานแล้ว เราบางคนบางท่านก็จะไปเดินนะดูของซื้อของช็อปปิ้งอย่างเงี้ยเปิดไทยขายของหรือว่าเข้าห้างเรียกว่าค่าเวลาไปวันวันหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ไปดูหนังฟังเพลงหนะรือว่าโทรศัพท์คุยกับเพื่อนบีบีคุยกับเพื่อนอะไรก็ตามมาอยู่ที่นี่มันจะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปก็คือนะชุมชนของชาววัดป่าสุกโตก็เนี่ยเวลานี้ก็มาทาําบัตรเสดมจมลกันถือเป็นกิจกรรมนะของชุมชน พอเราครบยี่สิบี่ชั่วโมงเราก็รู้แล้วอ่าชุอชนสุขโตเขาใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบนี้กันแล้วก็ค่อยๆปรับเนื้อปรับตัวนะก็กลายเป็นความสะดวกนะอยู่แบบสบายใจแล้วก็รู้สึกรื่นเริง ม, นะมันเป็นวิถีชีวิตที่มันไม่ต้องมีอะไรมาลุกลังวุ่นวายนะเป็นชีวิตที่ตัวเองกับตัวเองแล้วมีความรู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นชีวิตที่ลงตัวตรงนี้สําคัญหลายคนบางทีเขามีอย่างนี้วัตถุหนึ่งสองสบุคคลหนึ่งสองสาม หมายควาว่าไงก็มีวัตถุหนึ่งสองสาก็คือมีบ้านมีรถมีวัตถุที่มีแล้วเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงมีสันธานการณต่างๆงานในเหล็กทำทั้งวันเลยแต่เวลาไม่มีอะไรทำปับ๊บเนี่ยมันเหงาทันทีมันรู้สึกว่าเวมันรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างนไม่ทำไม่ได้ท้ายสุดอาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคน ที่คุยแล้วถูกคอนะคุยแล้วสบายใจโล่งโปร่งเนียท้สุดคุยมากๆอาจจะสมองทึบก็ได้เพราะว่าคลื่นนะอิเล็กทรอนมันยิงสมองพังหมดมันอันตรายนะคลื่นสองวัตตนะมันยิงเข้าสู่สมองเราสมองตื้อมึนทำลายเซลล์ไม่เป็นไมได้หมดเลยแล้วท้ายสุดก็คืองงตัวเองมีอะไรมันก็ไม่มีความสุขเกี่ยวข้องกับบุบคคลหนึ่งสาม มันก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีจนท้ายสุดก็งงตัวเองเอ๊ะไปอยู่กับตัวเองมันก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้อยู่กับความรู้สึกตัวนะพยายามเคลื่อนไหวกระดิกนิ้วก็ได้นะเวลานั่งเล่นๆเพลินๆกระดิกนิ้วกระดิกขาเล่นๆบางคนบางท่านอาจจะมีอารมณ์กรรมฐานอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นนักศึกษาในพยาบาลนะมีไหมบางทีเรานั่งเพลินๆหยิบปากกามาหมุนเล่นเคยไหม หยิบกระกามาคืองเล่นหยิบเยอะหยิบยางลบมาคืึงเล่นเคยไหมหรือบางทีก็เอามาเขียนเซ็นชื่อบาดภาอะไรเล่นอย่างเงี้ยลักษณะที่มันเป็นอารมณ์เฉยๆแล้วก็อยู่การเคลื่อนไหวบที่นั่งสั่นเท้าเล่นๆเนี่ยคืออารมณ์กรรมฐานนะพอเรามาปฏิปทามันก็ง่ายแล้วกันเนี่ยเพราะว่าเรามีอารมณ์กรรมฐานอยู่ ก็เท่ากับฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวในรูปแบบก็กลายเป็นเรื่องที่คล่องตัวสะดวกแต่ว่าใหม่ๆอาจะมีการเพ่งบ้างจ้องบ้างหรือว่าวางจิตยังไม่ถูกตำแหน่งเมันก็จะมีอยู่นี้คื อ, อประสบการณ์ไม่อยาหมายถึงว่าผิดหรือว่าถูกนะแต่พอทําไปทําไปทําไปทําไปอย่างนี้มันก็เออวางใจได้ถูกต้องก็สบายมีพวกกันสักอันหนึ่งี้ลองหยิบมาแล้วก็มาถือเอาไปวาดภาพหรือาลากเส้น ใหม่ๆก็จะเกรงทุกคนนั่นแหละก็ไม่ได้ถือว่าผิดแต่พอฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆมันก็เออสะดวกเลยลากได้ฟึบมีพลังแล้วก็เส้นตรงอย่างเงี้ย น, นะอันนี้เอาใส่การฝึกการหัดมีขวดมาวางสักอันหนึ่งเอาก้อนหินให้ลราปาขวดอย่างเงี้ยมันก็ไม่แมน่นหรอกแต่ปาไปปาไปฝึกซ้อมทุกวันเดี๋ยวมันก็โป๊ะสักร้อยไมโครโดนสัก5้าสิเมตรก็เออนั่นะ กาแสดงพัฒ น, นาการของมันขึ้นมาใหม่ๆก็ปลาไม่โดนเลยไงกลับมาได้หมายให้ถึงว่าผิดหมายถึงเรากําลังเริ่มต้นที่จะฝึกหัดกันอะไรก็ตามเพราะนั้นมาอยู่ที่นี่นะเราก็ให้เหมือนกับว่าใช้ชีวิตอย่างอย่างสบายๆแล้วก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าเกอ้อเก้อเขินเขินแล้วก็คิดว่าที่นี่จะมีภัยอะไรไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแปลกแยกนะกับเวลากลางคืนกลัวจะมีคนไล่มี ความไม่ปลอดภัยในชีวิตแะทัพย์สินเกิดขึ้นไหมก็ไม่ไปคิดอย่างนั้นหรอกใครมีของมีค่าอะไรที่คิดว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็เอามาฝากคนใดคนหนึ่งเอาไว้ก็ได้อาจารย์ก็ได้ถ้าเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ดูฝากกับใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าไว้ใจไปฝากกับเขาก็ได้มันจะได้หมดความกังวลหรือเรียกว่าปริโพชนะ์เพราะฉะนั้นปริโพชน์นี่เราจะต้องนะไม่ต้องคิดถึงมัน ความกังวลทั้งหลายทั้งปวงเช่นเรื่องอะไรบ้างห่วงเรื่องรายงานยังทําไม่เสร็จเรื่องการเรียนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการเรียนการศึกษาต่างๆตัดวางไว้ก่อนตอนนี้นะถือว่าเราไม่เอาอะไรทั้งหมดนะฮะห้าหกวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาธรรมวิชากรรมฐานนะคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงเพื่อนถึงคนรัก ขนชางต่างๆตัดออกเอาไว้ก่อนถึงสัตว์เลี้ยงต้นไม้ใบหญ้าต่างๆตัดออกไว้เลยให้เหลือชีวิตของเราล้วนๆที่มีกายมีใจนี่แหละนะคิดถึงฤทธิ์เดชนะคุณวิเศษต่างๆในการปฏิวัติธรรมเราไม่ต้องไปสนใจมันนะให้สนใจแค่เพียงว่าขยันเคลื่อนไหวนี่เราก็รู้สึกแค่นี้พอแล้วนะเป็นบทเรียนที่ง่ายมากนะถ้าเกิดความลังเล ส, สงสัยอะไรขึ้นมานะให้มาถามกัน ถ้าหมายถึงว่ามันไม่ได้คําตอบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกให้มาถามกันเพื่อให้มันด่วนๆสักหน่อยมีเวลาน้อยสั้นๆแต่ถ้าเห็นว่าคําตอบมันจะต้องเกิดจากตัวเองเพราะว่าจะทำความเป็นจริงต้องตอบได้ตัวของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นตอบให้มันยังไม่ใช่เราก็อาจจะทําไปเองก่อนอดไว้ก่อนมันสงสัยอยากถามก็กลับมาหาความรู้สึกตัวก่อนเพราะเวลามันคิดจะถามมันคือตัวคิดนะมันคิดจะถามมันคือตัวคิด เราก็ไม่ให้ความสําคัญให้คุณให้ค่ามันกลับมารู้สึกตัวเดี๋ยวมันกลายเป็นคําตอบแล้วเราก็ไม่ต้องไปถามก็ได้เหมือนกันอย่างนี้น ะ, ะแล้วตอนนี้ก็เห็นว่านะสมควรเวลาเขพูดนะให้ผู้ใหม่ฟังเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลักษณะของผู้เก่าก็ปฏิบัติเป็นพี่เป็นน้องกันนะถูกว่าปฏิบัติก่อนนะอยู่ก่อนก็เป็นพี่เราก็ทําเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆที่จะมาอยู่ร่วมกันนะในห้าหกวัน7วันเนี้ยเราก็อยู่แบบบรรยากาศอบอุ่น แบบเพื่อนแบบฝูงแบบกรยาเมศ ท, ที่จะไปทางเดียวกันทิศเดียวกันนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะว้าเวหรือว่ามาอยู่โดยที่เหมือนกับแปลกแยกไม่ต้องนะให้เป็นเรื่องที่นะทุกคนมีพ่อคนเดียวกันก็คือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีแม่คนเดียวกันก็คือแม่คือธรรมชาติยางไงนะมีพี่คนเดียวกันก็คือพระสงฆนะ์เรื่องแม่ชีนะ เขามาก่อนอยู่ก่อนก็เป็นพี่ใชอย่างเงี้ยนะคนที่มาที่หลังก็เป็นน้องๆแล้วก็ดูแลกันเอ็น ด, ดูกันแล้วก็ไว้วางใจกันนะเกี่ยวข้องกันด้วยเมตตาต่อไปก็นะอขอให้ความประพติดีของเราทั้งหลายนั้นนะก็ขอให้ความประพฤติดีของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อนะสันติสุขสันติภาพนะเนื้อเกิดเนื้อแก่เนือเจ็บเนื้อตายมีความสุขในนิพพานทุกทิพยาราตีการเตือน